จิตของท่านดังหานนั้นยังมีทิฏฐิมานะที่ผิดยังไม่ยอมรับฟังยังได้ตรัสชี้แจงด้วยเหตุผลให้ท่านตังหาคลายทิฏฐิมานะ ยอมรับฟังก่อนและวิธีที่ทรงชี้แจงนั้นก็ได้ทรงเลือกประวาจาที่เหมาะสมอันเป็นของจริงที่เป็นประโยชน์ดังเช่นที่ได้ตรัสให้ท่านตั้งห้าระลึกว่า ก่อนแต่นี้ได้เคยมีพระวาจาดังที่ได้ตรัสแก่ท่านทั้งห้านี้หรือไม่ว่าพระองค์ได้ทรงบรรลุธรรมจะเสด็จมาโปรดท่านทั้งห้านั้นก็ระลึกได้ว่าไม่เคยตรัสอย่างนี้ จึงได้มีจิตน้อมเพื่อจะฟังธรรมเมื่อทรงทราบว่าจิตของท่านนะฮะอ่อนโยนลงน้อมเพื่อที่จะรับธรรมจึงได้ตรัสแสดงปฐมเทศนาโปรดพระวาจาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตั้งแต่พระวาจาแรก เมื่อพบท่านทั้งห้าก็ล้วนเป็นสัจจะคือความจริงท้งนั้นและก็ต้องเดการเวลาประวาจาแรกตีตัดก็ตรัสว่าจะเสด็จมาโปรดในทรงบรรลุธรรมก็เป็นความจริงและต้องเรการเวลาที่ควรจะตรัสบอก เมื่อทันตัาง่ายยังไม่ยอมน้อมใจฟังคือยังไม่เชื่อว่าจะได้ทรงบรรลุธรรมได้ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ตรัสพระวาจาที่เหตุผลอันเป็นความจริงอีกเช่นเดียวกันว่าก่อนแต่นี้ได้เคยตรัสอย่างนี้หรือไม่ ท่านหาระลึกได้ว่าไม่เคยตรัสจึงได้น้อมใจเพื่อจะฟังจึงได้ตรัสแสดงปฐมเทศนาดฉะนั้นพระวาจนา์ที่ตรัสออกตั้งแต่พระวาจาแรกมาโดยลำดับจึงเป็นคำจริงคำแท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์ จะเป็นที่ชอบใจหรือไม่ที่ไม่เป็นที่ชอบใจของใครก็ตามเมื่อถึงกาละเวลาที่จะตรัสก็ตรัสพระวาจานั้นตรัสสิ่งนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงแสดงว่าพระวาจาของพระพุทธเจ้าที่ตรัด ทรงสั่งสอนทุกครั้งจะต้องมีภูได้รับประโยชน์ไม่มีเลยที่จะเปล่าประโยชน์จะต้องมีภูฟังได้ดวงตาเห็นธรรมได้ความเลื่อมใส ในพระรัตนตรัยถึงพระพุทธถึงพระรัตนตรัยเป็นสณะเป็นอย่างน้อยด้วยฉะนั้นจึงซื่อชื่อว่าสุกโตเป็นภูที่เสด็จมาเป็นภูที่เสด็จไปดีอันหนึง่งแม้ในด้าน ที่ทรงสเสด็จไปด้วยอริยมรรคดังที่กล่าวมาในเบื้องตอน้นซึ่งได้ทรงบรรกอมาตะนิพพานมิจฉาวิมุตติก็คือเมื่อทรงสเสด็จไปด้วยอริยมรรค ก็เสด็จไปด้วยอริยผลนิพพานรวมเป็นโลกุตรธรรมคือมรรคผลนิพพานซึ่งผลก็คือความดับกิเลสตัดกิเลสได้เด็ดขาด นิพพานก็ออกจากกิเลสกิเลสไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นกิเลสที่ทรงละแล้วด้วยมรรคผลนั้ น, น, นจึงไม่กลับมาสู่พระองค์อีกหรือไม่กลับมาสู่จิตอีก ตลอดไปจึงชื่อว่าเสด็จไปดีและนอกจากนี้การเสด็จไปดีของพระองค์นั้นยังมีความหมายถึงเสด็จไปโปรดเวนไยนิกรน คือโมชนที่พึงฝึกได้พึงแนะนำได้ด้วยสุขประโยชน์ทั้งปวงจะเดิไปที่ไหนตัวโปรดเวนในยนกรในที่นั้น ให้มนุษยสุขประโยชน์ทางนั้นเพราะว่าได้ทรงเสด็จไปด้วยทรงประพฤติประโยชน์เป็นอัตตะจริยาคือประพฤติประโยชน์แก่โลก แก่พระญาติและประพฤติประโยชน์โดยฐานเป็นพระพุทธ เ, ทเจ้าไม่มีที่จะเสด็จไปโดยมิได้ทรงประพฤติประโยชน์เสด็จไปในที่ใดก็ด็บประทานประโยชน์สุขในที่นั้นทุกแห่งไป เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงเป็นปูชนียบุคคลอย่างสูงสุดคือเป็นบุคคลที่พึงบูชาอย่างสูงสุดทั้งด้วยเสื่งศั ก, กระวรามิตรทั้งหลาย ตั้งด้วยการปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงเสด็จไปดีแม้ในด้านเึื่องเสื่องสักการะวรมิตรก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ไม่ขาดแคลนไม่เป็นทุกขตะคือผู้ขัดสนจนยาก แต่ทรงเป็นสุขตะคือเป็นภูที่เสด็จไปดีเป็นภูที่มั่งมีมั่งมีด้วยโลกุตรธรรมทั้งหลายด้วยกุศลธรรมทั้งหลายด้วยธรรมะทั้งปวง และมั่งมีด้วยสักการะวรมิตรที่มีผู้นำมาบูชาพระพุทธคุณหมดนี้ยังให้ผลสืบเนื่องมาถึงพุทธศาสนาที่ได้ทรงบดิษฐานตั้งขึ้นและสืบเนื่องมาถึง พระสงฆ์สาวกทั้งปวงสืบเรื่องมนถึงพุทธบริษัททั้งปวงเป็นต้นมาภิกษุบริษัทซึ่งในปฏิบัติดีตามพระธรรมวินัยที่ทรงแสดงแล้วทรงบัญญัติแล้วก็ได้รับการบูชา ทั้งด้วยเครื่องศั ก, การะวรมิตรและทั้งด้วยการปฏิบัติตามตลอดมาดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงธนามาสุนกโตคือเป็นผู้ที่เสด็จไปดีแล้ว สำ็จไปร้ายแม้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ด้วยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สาเร็จไปด้วยสเร็จไปดีด้วยประทานสุขประโยชน์ทั้งสิน้นและก็เป็นที่ต้อนรับ ของประชาชนในที่ทีเสด็จไปว่าเป็นสวกตะเป็นภูเสด็จมาดีแล้วสำหรับพวกเขาทั้งหลายพวกประชาชนทั้งหลายเมื่อพระองค์เสด็จไปดีเป็นสุกโตสุกตะประชาชนทุกแห่ง กอดอนรับพระองค์ด้วยคาสวากะตะเสด็จมาดีและพากันสักการะบูชาทั้งด้วยวัตถุทั้งด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาจึงได้ตั้งขึ้นและดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันและต่อไป เพราะฉะนั้นพระพุทธคุณบทนี้จึงเป็นบทที่ควรจะระลึกถึงให้เห็นชัดก็จะบังเกิดสัทธาปสาทะปีติโสมนัดจิตใจก็จะปลอดโปร่งแจ่มใสจากนิวรณนะ์กุศลธรรมทั้งหลาย สงบตั้งมันเป็นสมาธิได้และเป็นทางนำปัญญาให้เห็นธรรมอันตั้งอยู่ในพระคุณต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอบน้อนมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 จะแสดงประพุทธคุณหมดว่าโลกวิถูผู้รู้โลกนำเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยพระคุณ พระอาจารย์ได้แสดงอธิบายประพุทธคุณบทว่าโล ก, กวิถูนี้ว่าได้ทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงคือโดยสภาวะ คือโดยสภาพโดยสมุทัยคือเหตุเกิดโดยนิโรธคือความดับและโดยนิโรธุปายะ คืออุบายอันได้แก่ทางที่จะนำเข้าไปสู่ความดับได้มีพ <c oughs> ระพุทธภาสิต อิตัสสะเท พ, พบุตรซึ่งเป็นภูมิริศมากได้ไปโดยเร็วในโลกนี้ เพื่อจะให้ถึงที่สุดโลกแต่ก็ต้องทำกาลกิริยาคือได้สิ้นชีวิตก่อนเป็นอันไม่ถึงที่สุดโลก พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าที่สุดโลกอันเป็นที่ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตาย ไม่จุติคือเคลื่อนไม่อุปบัติคือเข้าถึงเป็นที่ที่พระองค์ตรัสว่าไม่พึงรู้ไม่พึงเห็น ไม่พึงถึงได้ด้วยการไปในที่ไหนไหนแต่ว่าหากไม่ถึงที่สุดแห่งโลกพระองค์ก็ตรัสว่าไม่พึงถึงที่สุดแห่งทุกได้ และพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ทรงบัญญัติโลกโลกกสมุทยัยเหตุเกิดโลกโลกกันิโรธความดับโลกและโล ก, กะนิโรธคามินีปฏิปทา ทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในกะเลวะคือในกายนี้ที่ประมาณวาหนึง่งมีสัญญามีใจนี้ดังนี้ ตามเรื่องของโรหิตตระเทพบุตรและตามพระพุทธภาสิทธิตรัสเป็นเครื่องส่องความให้เห็นว่าได้ทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวง ดังกล่าวมาข้างตน้นคือโดยสภาวะหรือโดยสภาพโดยสมุทยัยโดยนิโรธโดยอุบายคือทางปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรธ อันความรู้โลกของพระพุทธเจ้าตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายอ้างพระพุทธภาษิตที่ตัดเอาไว้จึงเป็นอธิบายอันถูกต้องเพราะไม่ได้อธิบายเอาเอง และตามระพุทธภาสิทธิทตรัสเล่าถึงโรหิตตัตระเทพปะมุตรนั้นเป็นเรื่องที่ตรัสเล่าถึงการไป เพื่อจะพบที่สุดโลกในโลกภายนอกนี้เองซึ่ง <c oughs> เทพระบุรไม่อาจจะถึงที่สุดโลกต้องสิ้นชีวิตเสียก่อนคือต้องจุดติคือต้องเคลื่อนจากภาวะ เป็นเทพไปเสียก่อนแต่พระพุทธภาสิทธิที่ตรัสแสดงเป็นเทศนาสั่งสอนได้ทรงตรัสที้เข้ามาถึงโลกในกะเลวระ คือในกายที่มีขนาดวาหนึ่งโดยส่วนสูงหรือโดยส่วนยาวซึ่งมีสัญญาและมีใจนี้เป็นการตรัสที่น้อมเข้ามาถึงขันธโลก โลกคือขันห้ากายและใจอันนี้และโดยที่ได้ตรัสว่าได้ทรงบัญญัติเรื่องโลกก็ทรงบัญญัติในกะเลวะระคือในร่างกาย ที่มีสัญญามีใจนี้ไม่ได้ทรงบัญญัติโลกในภายนอกในคำสั่งสอนของพระองค์และก็ตรัสว่าที่สุดโลก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 ก็เป็นที่ที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นแม้ในโลกภายในนี่เมื่อไม่ถึงที่สุดก็ไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ จะถึงที่สุดแห่งทุกได้ก็ตรงถึงที่สุดแห่งโลกในภายในนี้เพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่ตรัสแสดงนี้จึงเป็นพระธรรมเทศนาที่ผู้ฟัง อาจตรองตามให้เห็นจริงได้อาจปฏิบัติให้ถึงได้เพราะอยู่ภายในกะเลวระคือร่างกายที่มีสัญญามีใจของทุกๆคนของตนเองไม่ต้องไปค้นหาในภายนอกที่ไหนเพราะฉะนั้น ตามพระพุทธภาสิทธิตรัตนี้จึงเป็นอันแสดงลักษณะของพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้แสดงโลกหรือเรื่องของโลกภายนอกต่างๆ จะเป็นเมืองตอนโลกก็าตามที่สุดโลกก็าตามแต่ว่าได้ตรัสแสดงเรื่องโลกที่เป็นภายในดังกล่าวนั้นอันเป็นสัจธรรมที่ทุกคนจะพึงรู้จะพึง เห็นอย่าพึงถึงนั่นแหละเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อถึงก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นผู้พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นยังควรทำความเข้าใจ ในสัจธรรมที่ได้ตรัดสอนอันแสดงแห่งพระพุทธคุณบทวรโรเ ก, ก ว, วิฑูนี้เพื่อจะได้มีความเข้าใจเป็นที่ตั้งแห่งศรัท ธ, ธาและประสาธะ เป็นที่ตั้งแห่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาเป็นเนติแห่งการที่จะปฏิบัติตามได้มีพระพุทธภาษิตตรัสอธิบายถึงคำว่าโลก โดยพยัญชนะคือถ้อยคำอันส่องถึงอัถาคือเนื้อความ